สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากป้ายทีหนึ่งซึ่งปนวนก็ลอยฟังว่าในสมัยปี2529สมัยนั้นบ้านเมืองและถนนหนทางไม่ได้เจริญเหมือนในปัจจุบันท่านเป็นคนสมุทรสงครามตั้งแต่เกิดโดยตอนนั้นก็พึงจะออกเรือนแต่งงานได้ใหม่ๆ แล้วก็ย้ายมาทำงานในกรุงเทพส่วนสามีแกลุงสวนเป็นคนขับรถส่งนักท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องพานักท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆต้องบอกก่อนว่าลุงสวนแกเป็นคนเจ้าชู้มากๆเป็นคนนิ่งขลึมอัธยาศัยดีชอบคุยกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยหลังจากลุงสวนแกทำงานไปได้สักพัก แกก็บอกกับป้าว่าต้องกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปเยี่ยมทางบ้านของแกแต่ครั้งนี้ป้าแกแปลกใจเพราะปกติลุงแกถ้าจะกลับบ้านที่เมืองกาญจนแกจะออกปากชวนป้าทุกครั้งซึ่งในช่วงนั้นประจวบเหมาะกับป้าต้องไปออกหน่วยแพทย์ของส่วนราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วลุงสวนแกจะเป็นคนไปรับไปส่งป้าขึ้นรถเป็นประจำแต่ครั้งนี้ลุงสวนแกบอกว่าจะกลับบ้านที่เมืองการก็เลยทำให้ป้าต้องไปขึ้นรถเองป้าแกไม่ได้ว่าอะไรแต่ในใจก็คิดว่าลุงต้องพาใครไปต่างจังหวัดแน่ๆการติดต่อ ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะซะส่วนใหญ่ป้าแกก็เลยพูดกับลุงว่าถ้าพาผู้หญิงหรือกิ๊กไปด้วยก็ขอแช่งให้รถควาตายในสามวันเจ็ดวันซึ่งลุงสวนแกก็ยังพูดติดตลกอยู่ว่าจะพาใครไปได้ปนวนแต่งตัวออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปขึ้นรถเอง หนึ่งสัปดาห์เต็มที่ปนวลต้องทำงานที่ต่างจังหวัดไม่กี่วันปนวลก็กลับบ้านโดยให้น้องชายมารับซึ่งลุงสวนก็กลับจากเมืองการพอดีในช่วงนั้นวัดแถวแถวบ้านของลุงสวนจังหวัดกาญจน บ, บุรีมีทอดกะถินพอดีลุงสวนแกก็เลยชวนปานวลไปกันที่วัดนี้ ซึ่งก็ออกเดินทางกันในเช้ามืดของอีกวันหนึ่งใช้เวลาออกเดินทางกันมาไม่นานก็มาถึงวัดแห่งนี้พอทอดกระถินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อที่แก่งแห่งหนึ่งกลับจากเที่ยวก็ห้าหกโมงเย็นแล้วลุงสวนพร้อมเพื่อนที่มาด้วยกันหนึ่งคนประนวน และน้องชายของแกก็คุยกันว่าน่าจะหาที่พักแถวๆนี้สักคืนหนึ่งแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้เพราะนี่ก็เย็นมากแล้วเพื่อนของลุงสวนก็เลยบอกว่าแถวๆนี้มีโรงแรมอยู่ที่หนึ่งขับรถจากที่นี่ไปไม่น่าจะเกิน10บกิโลจึงตกลงแล้วตัดสินใจขับรถไปที่โรงแรมแห่งนี้กัน สองข้างทางทางที่จะไปยังโรงแรมนี้มีแต่ป่ารกในตอนนั้นป้าแกก็จําไม่ได้แล้วว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไรเพราะมันมืดมากๆพอไปถึงโรงแรมก็เกือบสามทุ่มแล้วก็จัดการเช็คอินแยกย้ายกันไปที่ห้องโดยป้าแกนอนห้องเดียวกันกับลุงสวนส่วนน้องชายของปนวน นอนอีกห้องหนึ่งกับเพื่อนของลุงสวนเมื่ออาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณสักษี่ทุ่มเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นปนวนแกบอกว่าแกก็เดินไปรับโทรศัพท์ต้นสายคือพนักงานต้อนรับของโรงแรมบอกว่ามีโทรศัพท์ด่วนปลายสายบอกว่าเป็นญาติโทรมา ป้าก็แปลกใจว่ารู้ได้ยังไงว่าเรามาพักกันที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งยังไม่ได้บอกใครเลยแกก็หัลนโหลไปเสียงปลายสายเงียบมีเสียงกุกกุกกักกักประมาณเหมือนทีวีไม่ชัดคงจะนึกออกนะครับแกหัลนโหลไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนตอบก็เลยวางสายไป แล้วก็มานั่งบนให้ลุงสวนฟังว่ามีใครก็ไม่รู้โทรมาบอกว่าเป็นญาติจะคุยด้วยแกก็บ่นบนจากนั้นก็นอนหลับไปรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เสียงโทรศัพท์ในห้องมันดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดูเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณตีสองเกือบตีสามได้แล้วด้วยความที่นอนหลับกันหมดแล้ว ไม่มีใครที่อยากจะลุกขึ้นมารับโทรศัพท์ป้าแกก็เลยต้องลุกขึ้นมารับโทรศัพท์อีกป้าแกเล่าให้ฟังว่าครั้งนี้แกรับโทรศัพท์ก็เหมือนเดิมปลายสายนั้นเงียบแกฮัลโหลออกไปด้วยเสียงที่หงุดหงิดจากที่ถูกปลุกกลังเด็กแบบนี้แล้วแกก็ถามไปว่านี่ใครนะ เสียงเงียบไปได้ไม่นานก็มีเสียงผู้หญิงเป็นเสียงเย็นเย็นยันยานพูดกลับมาทันทีว่าถ้าอยากรู้ก็เปิดหน้าต่างดูสิเมื่อประนวนแกนได้ยินเสียงแบบนั้นแกนเล่าให้ผมฟังว่าแกรีบวางสายทันทีแล้วก็วิ่งไปนอนตัวสัน่นคลุมโปองอยู่ข้างๆลุงสวนลุงสวน รับรู้ได้ถึงความผิดปกติก็เลยตื่นแล้วถามปนวนว่าเป็นอะไรดึกดึกดื่นๆแล้วทำไมไม่ยอมนอนปนวนแกก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังจนกลางดึกนั้นลุงสวนแกต้องเดินลงไปที่โรงแรมด้านล่างพร้อมกับขอทู่พนักงานมาดอกหนึ่งปนวนบอกว่า แกท่องหรือพูดอะไรสักอย่างอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอาทู่ไปปักที่ใต้ต้นไม้แถวๆหน้าโรงแรมคืนนั้นก็กลับไปนอนกันจนถึงเช้าก็ออกเดินทางกลับบ้านพอมาถึงบ้านลุงสวนก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าตอนที่ปนวลแกไปออกหน่วยที่ต่างจังหวัดลุงสวน แกแอบพาน้องผู้หญิงคนนี้ไปด้วยซึ่งก็ไปเที่ยวกันที่เมืองการนี่แหละเที่ยว อ, อยู่ได้สักสองวันก็ไปส่งน้องผู้หญิงคนนี้ที่บ้านพอลุงสวนแกกลับบ้านที่เมืองการรู้ข่าวอีกทีว่าผู้หญิงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซื้อของแล้วรถมอเตอร์ไซค์คว่ำรถ10บล้อที่ตามหลังมาเบรกไม่ทัน เหยียบเสียชีวิตค้าที่ลุงสวนแกก็ไปช่วยทางญาติน้องผู้หญิงเขาจัดการงานศพจนเสร็จแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ป้ากลับถึงบ้านป้าบอกว่าไม่รู้อะไรโดนใจป้าถึงได้พูดแบบนั้นในวันนั้นเรื่องราวที่พูดไว้กลับเกิดขึ้นจริงหรือมันจะบังเอิญก็เถอะ แต่ป้าก็ยังรู้สึกผิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นจนถึงปัจจุบันส่วนลุงสวนเองพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็สัญญากับปนวนว่าจะเลิกโกหกปนวนไปตลอดชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดของปนวนก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ